ที่วัดปาสุกตนเรามีกิจกรรมที่มาทำพร้อมเพรียงกันนะตั้งแต่ตีสี่ 4, คือมาทำวัดสดมนร่วมกันซึ่งก็หมายความว่าพวกเราก็ต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสามตีสามครึ่งหรือบางคนก็จะตื่นก่อนน้านั้นหลายคนจะรู้สึกว่ามัน เป็นเวลาที่ตื่นเช้าเกินไปบางคนก็คิดกระทั่งว่ามันเป็นการสร้างความทุกข์ทรมารให้กับตนเองจะได้จริงเวลาแบบนี้นี่เป็นเวลาที่นักธุรกิจหลายคนนะเดี๋ยวนี้เขารู้สึกเป็นเรื่องธรรมดามากนะตื่นประมาณนี้เราอาจะไม่ทราบวันนี้มีนักธุรกิจหรือผู้บริหารองค์กรระดับ ใหญ่ๆนะของโลกนี้เขาจเรียกว่าเป็นค่านิยมเลยก็ว่าได้นะที่ต้องตื่นเช้าอานจะพูดว่าเช้าก็ไม่ถูกนะเพราะเขาตื่นมาตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอย่างซ e อของเป p s ซนี่เขาว่าตีสี่ก็ตื่นละซ CEO โอของด i สน e y นะตื่นตีสี่ครึ่งนะ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 ตรงกันข้ามมากกว่าคือค่อยน้อมใจให้สงบสงบและนี่นนคือความสุขที่หลายคนนะที่เริ่มเบื่อหน่ายนะแล้วหรือหรือเหนื่อยล้า ก, กับความสุขประเภทแรกเนี่ยก็ามาสแสวงห า, าบางคนเพียงแค่มาที่วัดป่าสุกโตแล้วก็ได้สัมปะคตธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากนะแต่เป็นธรรมชาติแบบซื่อๆตรงๆนะธรรมดาธรรมดา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 ตองหลังในโซ่กลับมาสูน้าน้ำเปล่ากลับมาสู่น้ำเปล่าน้าฝนธรรมดาธรรมดาไอ้น้ำอัดลมนี่กินไปนานๆก็เป็นโรคนะทั้งโรคฟันโรคเบาหวานกินกินมากกินบ่อยไม่ได้แต่น้ำจืดน้ำเปล่าเนี่ยกินได้ทั้งวันกินได้ตลอดชีวิตแล้วขาดไม่ได้ด้วย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 เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงนะที่มันรบกวนความสงบบางทีเป็นข้อความแล้วข้อความที่ส่งมาทางไลายทางเฟ e b o o k เดี๋ยวนี้กระนำเข้ามาเวลาเป็นร้อยข้อความเดี๋ยวนี้ร้อยข้อความก็ยังน้อยนะบางทีหลายร้อยนะเฉพาะลายกลุ่มเนี่ยนะมันก็มาทีหนึ่งวันหนึ่งก็สองสามร้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้คนเล่นลน์กันเยอะแล้วลายกลุ่ม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 ถ้าลองฟังเสียงหัวใจก็จะรู้ว่าเนี่ยมันถึงเวลาที่เราต้องปลีกนตัวถึงเวลาต้องเว้นวังให้กับชีวิตแล้ว เ, เพราะว่าชีวิตมันวุ่นวายเร่งรีบมากเกินไปหลายคนเนี่ยพอมาวัดป่าสุกโตเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่เรียกร้องอยู่ข้างในใจนะว่าว่านี่แหละน่คือสิ่งที่เราโหยหานี่คือสิ่งที่เราแสวงหานี่คือสิ่งที่เราขาดแคลน หลายคนมาปฏิบัติก็เพราะเหตุนี้แหละนะเพราะว่าใจมันเรียกร้องแล้วนี่แหละคือความสุขนะที่ลึกซึ้งนะความสุขที่เกิดจากความสงบที่เราเรียกว่าสุขสงบนี่แหละพนะูะพุทธเจ้าตรัสว่าสุขอื่นเหี่อความสงบไม่มีสุขอื่นเหี่อความสงบไม่มีนะน ค, วนะความสนุกก็ไม่ใช่นะหลายคนนึกว่าความสนุกคือความสุข วัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็ไปแสวงหาความสนุกนะเพราะคิดว่ามันคือความสุขแต่ในภาษาไทยมันไม่มีมันไ ม, ม, ม่มีเลยนะว่าสุขสนุกอนะมันมีแต่สุขสงบภาษาไทยไม่มีคําว่าสุขสนุกนะเพราะว่าสนุกมันไม่ใช่ความสุขนะสบายก็ไม่ใช่แล้วมีคําว่าสุขสงบเพราะว่าความสงบนั่นแหละนะเป็นเป็นความสุขนะอย่างอย่าง อย่างเลิศ ก, ก็ว่าได้อย่างประเสริฐครนี้ความสุขสงบจะมาได้อย่างไรนะเราจะรู้สึกว่าชีวิตต้องการจิตใจต้องการความสงบนะเมื่อเราได้มาพบกับสิ่งที่เงียบสถานที่ ท, ที่ไม่มีเสียงรบกวนเช่นได้มาอยู่ท่ามกลางปา่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหลังจากหายกลัวสักพักนะทีแวกอาจจะกลัวอาจจะตื่นเพราะเป็นที่ที่แปลก